ธรรมบัญญายของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยามังคโลโสู่สาธุชนญาติโยมเป็นประจำวันนี้ก็จะขอนำเสนอในเรื่องที่ประเด็ดพระคุณหลวงพ่อท่านได้บรรยายให้แก่ข้าราชการตารวจกองกำกับการสามกองบัญชาการการศึกษาเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครที่เข้าไปศึกษาอบรมจริยธรรมสร้างเสริมคุณธรรมในการปฏิบัติงาน ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามซึ่งเนื้อหาสาระของธรรมบรรยายนั้นก็เป็นประโยชน์แก่ท่านสาธุชนที่จะนําไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจําวันซึ่งก็มีเนื้อหาสาระเป็นที่น่าสนใจดังที่จะนำมาสู่ท่านสาธุชนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติธรรมสืบต่อไปขณะนี้จึงขอเชิญท่านสาธุชน มาตั้งใจสดับรับฟังธรรมบัรยายจากหลวงพ่อประมหาเสริมชัยชยมงคลโลดพร้อมกันกนักหนี้ก็ด้วยเหตุผลประการสำคัญที่ท่านทั้งหลาย เป็นข้าราชการแล้วก็ได้บ่ายหน้าเข้ามาสู่การศึกษาเรื่องธรรมะศึกษาหลักธรรมซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้ง ทรงรู้แจ้งในธรรมชาติทั้งหลายทั่วหมดทั้งสากลลโลกสากลธรรมนี้และไม่ใช่เฉพาะแต่ในจักรวาล น, นี้ยังในจักรวาลอื่นๆนับแสนโกดจักรวาลอนัอ น, นจักรวาลไม่มีประมาณ ซึ่งรวมเรียกว่าตรัสรู้ตรัสรู้นี่คือทรงเห็นแจ้งทรงรู้แจ้งอย่างทะลุปปโปรงด้วยพระองค์เองในสภาวะของธรรมชาติในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ซึ่งมีส่วนสำคัญเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์โลกนี่กฎเกณฑ์นี้เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยไม่ทราบกฎเกณฑ์นี้อย่างทะลุปรุปรองอาจจะทราบบางส่วน เพียงผิวเผินเล็กน้อยเมื่อไม่ทราบกฎเกณฑ์ของธรรมชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของสัตว์โลกเองสัตว์โลกเองมีมนุษย์เป็นต้นก็จะหลงคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดมีความคิดเห็นผิดมีเจตนาความคิดอ่านที่ผิดผิด แล้วจึงมีการประพฤติ ท, ที่ผิดผิดมีการพูดมีการกระทำมีการประกอบอาชีพที่ผิดผิดด้วยเจตนาความคิดอ่านผิดผิดนำตนนำหมู่คณะไปในทางที่เสื่อมเสียเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อน เพราะฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายได้มาศึกษาหลักธรรมก็ต้องมาศึกษาจุดตรงนี้แหละจุดตรงที่ว่ามีกฎเกณฑ์ธรรมชาติใดสภาวะธรรมชาติใดที่เราพึงรู้ตามหลักเกณฑ์ของธรรมชาติ ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ไว้ดีแล้วแล้วก็ได้ตรัส บ, บอกแนะนำสั่งสอนไว้ด้วยดีแล้วคือทรงชี้แสดงว่าถ้ากระทำความไม่ดีทางกายทางวาจาและใจอย่างนี้อย่างนี้ เรียกว่ากรรมชั่วหรือเรียกว่าบาปอกุศลแล้วจะได้รับผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้อย่างนี้นี่เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติประการสำคัญที่เราพึงเรียนรู้แต่แน่ละในทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่มากในประเทศไทยเรา ซึ่งเราได้ยินได้ฟังมาเหมือนกันก็นับว่าเป็นโชคเป็นบุญดีของเราที่ได้ยินได้ฟังมาตามสมควรแต่ว่าความทราบซึ้งที่จะเข้าใจแจ่มแจ้งถึงทะลุ ป, ปรุปโปรงไปถึงขั้นที่เราจะมีความศรัทธามั่นคงในหลักธรรมนั้นในหลักคาสอนอันเป็นหลักของธรรมชาติ ถึงขั้นที่จะงดเว้นความประพฤติปฏิบัติที่เป็นโทษแก่ตนเองและเป็นโทษแก่ผู้อื่นมันต้องได้มีประสบการณ์จากการศึกษาทั้งหลักธรรมที่ว่านีและให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยคือข้อปฏิบัติทางกายทางวาจา ที่ไม่ดีที่เป็นโทษว่ามียังไงบ้างแล้วให้เห็นแจ้งรู้แจ้งประจักษ์แจ้งด้วยใจของตนเองว่ามีโทษตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอย่างนี้อย่างนี้อย่างทะลุปรุปร่งพอสมควรไม่ใช่เท่าที่เรา เห็นได้ในวงสังคมแต่ไม่พอที่จะสกัดกั้นเจตนาความคิดอ่านที่บางครั้งทำความไม่ดีหรือความชั่วไปได้นี่เป็นเรื่องสำคัญนี่เป็นข้อสำคัญข้อที่หนึ่ง ว่าท่านทั้งหลายเข้ามาเนี่ยทว่าจะกล่าวโดยทั่วไปแล้วอะไรเป็นบาปบุญคุณโทษว่าที่จริงก็รู้กันพอสมควรนะในฐานะที่เป็นคนไทยแล้วก็เป็นชาวพุทธหรือแม้แต่อาจจะเป็นาศาสนิกอื่นที่เคยได้ยินได้ฟังหรือมีหลักธรรมที่ใกล้เคียงกัน แต่ว่าที่จะให้มันซึ้งลงไปมันต้องมาศึกษาและมาต้องมาปฏิบัติเพราะสิ่งที่เรารู้นั้นเพียงผิวเผินและบางครั้งความรู้ที่ว่านั้นยังไม่ใช่เป็นปัญญาที่บริสุทธิ์ที่กลั่นมาจากก้นบึ้งของหัวใจนี่พูดภาษาธรรมดา แต่ถ้าจะพูดในภาษาธรรมะมาจากาธาตุรมที่ละเอียดในที่สุดละเอียดของตนของตนพอที่จะห้ามใจของเราไม่ให้คิดไม่ให้เจตนาด้วย คุณธรรมคือฮิริโอตปะด้วยความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศลแล้วก็ไม่ทำจริงๆไม่ว่าความประพฤติที่ไม่ดีนั้นมันจะกี่มากน้อยนี่ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่ง เป็นหลักเกณฑ์ของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ว่าถ้าปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ชื่อว่าคุณความดีเป็นบุญเป็นกุศลทางกายทางวาจาและใจและถ้าปฏิบัติไปแล้วได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุข แก่ตัวเองแก่ครอบครัวแก่สังคมในวงงานหมู่คณะและแก่สังคมประเทศชาติคุณความดีอย่างว่านะั้นก็พอรู้กันเหมือนกันนะแต่ว่าที่ลึกซึ้งลงไปถึงจะรู้ว่าข้อปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ปฏิบัติไปแล้วได้ผลดีอย่างนี้อย่างนี้ อย่างแท้จริงให้ถึงความเจริญและสันติสุขอย่างแท้จริงแต่ต้องเข้าใจในเหตุและผลนั้นอย่างทราบซึ้งจนกระทั่งละเว้นความประพฤติปฏิบัติที่ชื่อว่าความชั่วหันมาปฏิบัติตั้งตนอยู่แต่ในคุณความดีตลอดให้ได้รับความเจริญและสันติสุข ตลอดเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จนกระทั่งเป็นคุณความดีที่สูงขึ้นไปอีกถึงเกิดปัญญาเห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวะที่ความทุกข์ดับเพราะเหตุดับคือถึงบรรลุ มักผลนิพานเป็นพระอริยบุคคลที่เที่ยงต่อความไม่กระทำความชั่วให้ถึงกับไปได้รับผลสืบต่อไปในอนาคตข้ามภพข้ามชาติที่เป็นที่รู้กันในหมู่ปฏิบัติว่าปิดประตูอบายภูมิและนำชีวิต ไปในทางที่เป็นความเจริญและสันติสุขให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งรู้แจ้งทั้งเหตุแห่งความเจริญและเหตุแห่งความเสื่อมในชีวิตไปจนถึงเห็นเหตุนในเหตุไปถึงต้นต้นเหตุที่ให้เกิดความทุกข์เดือดร้อน คือไปเห็นแจ้งรู้แจ้งชัดว่าความไม่รู้สัจธรรมตามที่เป็นจริงไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้อดีตว่าเราเป็นใครมาจากไหนไม่รู้อนาคตว่าเราจะไปไหนไม่รู้เหตุและผลต้นปลายว่าทำกรรมอย่างไรอย่างไร จะให้ได้รับผลเป็นความเจริญและสันติสุขแน่นอนทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดทํากรรมอย่างไรอย่างไรให้ผลเป็นโทษเป็นความทุกข์เดือดร้อนทั้งหยาบละเอียดแล้วละถึงขั้นละเว้นความประพฤติปฏิบัติที่จะนําไปสู่เจตนาความคิดอ่านที่จะกระทําความชั่ว เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สามารถลดละกิเลสตัณหาอุปาทานที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวักร์อันเป็นทุกข์ให้หมดสิ้นไปซึ่งรวมเรียกว่ามรรคผลนิพพาน คือสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับนี่เหล่านี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะถึงแม้จะอ่านหนังสือก็พอรู้ได้เราๆแต่ที่แน่ๆต้องปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วก็จะถึงบาง อ, อ้อทีนี้เมื่อเรารู้เหตุแห่งความเสือ่อมเหตุแห่งความเจริญ และสันติสุขไปถึงข้อปฏิบัตินำไปให้พ้นทุกข์บรรลุความเป็นพระอริยเจ้าคือบรรลุมรรคผลนิพพานตามระดับภูมิธรรมที่ปฏิบัติได้ดำเนินชีวิตส่งชีวิตไปในแนวนั้นผลก็คือว่าผู้ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นเป็นคนที่ ดำเนินชีวิตอยู่แต่ในคุณความดีให้ผลเป็นความเจริญและสันติสุขแก่ตัวเองแก่ตัวเองและขยายผลไปถึงครอบครัวไปถึงสังคมในวงงานไปถึงสังคมประเทศชาติตรงนี้แหละที่อาตมา มีความยินดีที่ท่านทั้งหลายมามาแล้วแม้เพียงจำนวนน้อยเจ็ดแปดสิบคนก็ดีแล้วค่อยๆเพิ่มมากขึ้นมันเหมือนกับเกลือทีละเจ็ดแปดสิบก้อนแม้บ่มันจะใหญ่ เมื่อหยดลงไปหยดลงไปเพิ่มมากขึ้นบ่ก็เข็มฉันใดมีผู้ที่รู้หลักเกณฑ์ของธรรมชาติสภาวะของธรรมชาติที่สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสรู้ดีแล้วแล้วก็มาตรัสแนะนำสั่งสอนผู้ที่พอจะสั่งสอนได้ ให้ได้ทำความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตามก็จะเป็นประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อื่นในสังคมเพิ่มมากขึ้นเพราะเราไม่มีทางที่จะไปแก้พฤติกรรมของสังคมหมดทั้งประเทศได้แม้แต่ในครอบครัวเราทั้งหมดก็แก้ไม่ได้แต่จะแก้ได้อยู่ที่ตัวเราเองก่อน แต่ละหน่วยของสังคมเมื่อแก้ได้มันก็ขยายผลไปตามลำดับเหมือนกับเกลือที่เราค่อยๆห ย, ย่อนลงไปในโบถึงแม้จะกว้างใหญ่ไปตามลำดับถ้าได้ช่วยกันอย่างนี้ก็จะเป็นผลดีแก่ท่านทั้งหลายแก่สังคมและประเทศชาตินี่แหละคือสิ่งที่อาตมาบอกว่ายินดีที่ท่านทั้งหลายได้มา เพระเาะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปกิจและวัตถุประสงค์ของท่านที่มาศึกษาอบรมธรรมะปฏิบัติที่นี่หรือที่ไหนๆก็ตาม ประการสำคัญคือมาเรียนรู้เหตุปัจจัยแห่งความทุกข์เดือดร้อนคือความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีและให้ศึกษาเรียนรู้ไปถึงเหตุในเหตุไปถึงต้ น, ต, นต้นเหตุที่อยู่เบื้องหลังความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีนั้นคืออวิชากิริฏตันหาอุปาทาน ที่ดนจิตดนใจให้สัตว์โลกประพฤติปฏิบัติตามไปในทางที่ไม่ดีนั่นแหละเรียนรู้ให้แจ่มกระจ่างไปได้เท่าไหร่เป็นผลดีเท่านั้นเมื่อใครเข้าใจแจ่มแจ้งถึงขั้นเกิดองคุณหรือคุณธรรมในจิตใจ คือฮิริอตตปะถึงขั้นมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปอกุศลเพราะเห็นโทษชัดแจ้งแล้วก็จะเลิกละความไม่ดีได้เมื่อท่านกระทำเช่นนั้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่มาล้วนเป็นข้าราชการ และยิ่งเป็นครูสอนเข้าด้วยก็ยิ่งประเสริฐนะถ้ารู้ได้อย่างนั้นจะได้เอาของจริงออกไปแสดงไม่ใช่เอาของมั่วๆมั่วๆคือยังไงคือสักแต่รู้ๆดูๆจากหนังสือแล้วก็เอาไปพูดซึ่งมีอยู่มาก ในวงของครูที่จะสอนธรรมะเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องกล่าวถึงผู้อื่นที่ไม่ได้ทำหน้าที่ในการสอนซึ่งทั้งทงที่หน้าที่ในการสอนนั้นตัวจะต้องเรียนรู้ให้แจ่มแจ้งดังที่ได้กล่าวมาแล้ว แต่ว่ามีไม่เท่าไรนี่ไม่ได้ว่าคณะของตำรวจนะคณะพละเรือนตัวดีผู้ที่จะสอนธรรมะน้อยนักที่จะเข้ามาศึกษาอบรมกายวาจาและใจให้รู้แจ่มแจ้งลงไปถึงขั้นเกิดฮิริโอตปา แล้วก็เกิดความสำรวมระวังตาหูจมูกกลิ่นกายใจเมื่อกระทบหรือได้รับการกระทบจากรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายแล้วไม่หลงสยบยินดีอยู่ในอารมณ์ที่น่ารักไม่หลงเครียดแค้นชิงชังในอารมณ์ที่ไม่น่ารักประคองจิตใจของตน ให้อยู่แต่ในคุณความดีไม่ไปในทางที่ชั่วแล้วเอาผลหรือประสบการณ์ที่ตนเองมีคุณธรรมนั้นนั่นแหละออกมาแสดงแก่ผู้อื่นอย่างนี้มีน้อยนักมีน้อยอัตมาจะกล่าวล่วงเลยไปอีกสักหน่อยว่าแม่นักบวชก็เถอะ ว่าพูดเท่านี้ก็พอนี่แหละที่อาตมาบอกว่าท่านทั้งหลายมานี่ดีแล้วอาตมามีความยิน ด, ดีจะได้มาเรียนรู้ให้มันแจ่มแจ้งและเรียนรู้ในทางเสื่อมจะได้งดเว้นจะได้มีหิริโอตปะ จะได้มีความสำรวมระวังกายวาจาใจของตนแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นท่านเป็นครูก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์เป็นหัวหน้าครอบครัวก็เป็นตัวอย่างที่ดีของครอบครัวรับราชการก็เป็นตัวอย่างที่ดี ของเพื่อนร่วมงานดำรงตนอยู่ในแต่คุณความดีอย่างนี้แล้วก็สังคมประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขทีน่นี่แต่ว่าพฤติกรรมในปัจจุบันท่านทราบดีเป็นพฤติกรรมของ บุคคลที่ลหลงไหลอยู่แต่ในวัตถุพัฒนากันเรื่องวัตถุให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างยิ่งแต่ระดับภูมิจิตหรือจิตใจ น, นลดต่ำลงเป็นปฏิภาคกลับ ลอยให้จิตใจเป็นไปตามอำนาจฝ่ายตำ่ำเช่นกามาฉันทะความยินดีพอใจยึดติดในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสทางกายเราจะเห็นคนยุคใหม่จึงหมกมุ่นอยู่แต่ในกามกิเลสจนเป็นที่หน้าวิตกห่วงใยนะ และเต็มไปด้วยแต่ตันหาทยานอยากทั้งในเรื่องของกามทยานอยากในเรื่องที่ไม่ยินดีไม่พอใจในเรื่องในบุคคลหรือในสิ่งที่ตนไม่ชอบใจและทยานอยากในเรื่องที่ อยากได้อยากมีอยากเป็นจนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์หรืออีกในหนึ่งก็คือด้วยอำนาจของความโลภจัดเรียกว่าอภิชาตันหาราคะจัดอันนี้เข้าใจกันดีโกรธพยาบาทจัดแล้วก็หลง ไม่รู้บาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงหลงตัวหลงตนหลงอำนาจสาธุชนกำลังติดตามรับฟังรายการธรรมสุสติทุพ่อก็ได้อธิบายขยายความให้แก่สาธุชนได้เข้าใจถึงเหตุผลที่บุคคลเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้นำธรรมนั้นไปใช้ในการดำเนินชีวิตไม่ว่าท่านจะ ทำหน้าที่การงานในระดับไหนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพ่อค้าประชาชนถ้าปราศจากศีลจากธรรมเสียแล้วย่อมจะนําการประพฤติปฏิบัติงานออกนอกลู่นอกทางได้โดยง่ายถ้ายึดมั่นอยู่ในหลักธรรมแล้วก็ย่อมจะเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมในการประกอบกิจการหน้าที่รับผิดชอบ และสามารถที่จะนำพาหมู่คณะให้ดำเนินไปสู่ทางแห่งความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียวตั้งแต่สังคมในครอบครัวและสังคมในวงงานจนไปถึงตลอดถึงประเทศชาติหุวพ่อก็ได้ให้ข้อคิดหลักธรรมแก่ท่านสาธุชนมาพอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้ธรรมะเรื่องนี้ยังมีอีกในตอนต่อไปสำหรับ สาธุชนที่สนใจโปรดติดตามได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้รายการธรรมสุสันติขอลาท่านสาธุชนไปก่อนขอความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอินเจริญพร